อืมอีกคือกรรมทางตรวจถอตรวจถอนตรวดโลกภัยไข้เจ็บพอเส็จไปแล้วอันดับต่อไปก็ต้องมาสู่ธี่ใหญ่คือปฏิบัตรธรรมคือว่าทาบุญวพวบคุมควบของต่างๆ ใใที่แต่ต่วงเช้าเราก็ทำกันทาทานตอา น, นี้กัสินเราก็มาลับไปแล้วปัิญาณตนจะปฏิบัติธรรมโดยจเจพาะอย่างยิ่งยิ่งสินสูงสุดาำรับคารวาช่าโยมก็คือสินแปดเราก็รับไปเรืรอยๆฐานสินบุญนับต่อไปก็คือทำบุญ มือขิ้นใส่ศีษะละพรางมือลงบนตักมือใต้วางบนตักมือขวาประทับมือใต้ตัตัวตรงๆหลักตาเบาๆจิตมือใต้หัวปิตตาสองข้างิตาเสียบ้าแล้วนั่งดูบุญถ้ามีโทรศัพท์บอให้ปิดเอาไว้ก็จะทำให้จิตของเราไม่นิ่งถ้ามีเสียงบารมควร โดยเฉพาะการทำสมาธิต้องใช้ความสงบต้องใช้ความสงบไม่มากสงบภายนอกรูปเสียงสินร้ ต, ต่างๆสงบภายในในใจของเราไ ม, ม่คิดพุ่งต้านไปไหนคิดอย่างเดียวมาจาับที่ลมเรียกว่าอานาปานุสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมอลมอกให้ดูยาว ลมเข้ายาลมออกยาวๆทัศน์ที่ดีอย่าเอ ที่พวกเราเคยทำมาโดยเฉพาะภาคปฏิบัติจะพานั่งหรือไม่พานั่งแล้วก็รีบกรอบโปยรีบเล่นทำเอาโดยเฉพาะเรามาจากสถานที่ไกลๆโดนหลักต้นตออยู่มระครางสุกทรภคุณขอ ง, ม, อของมันจะเอาว่าที่นี่ก็มาจากตัวสุง พาดมิตชพาธรรมมาราชีมาแล้วโดยเฉพาะในนามที่ว่าวันของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในว่าวันพ่อพ่อของประเทศชาติกานทางประเทศชาติารเมงฝ่ายชาลการสถาบาลก็ได้มีกหนดกดเกณให้ประชาชนผู้มกองขอพระองค์ท่านตตามอิานาหาึกถึง ขาดไม่เพียงโดยเฉพาะทางลัทธิศาสนาจะมีคนยิ่งมาเพิ่มพ้อปฏิบัติเพิ่มบังก็ไปเองให้ผู้ที่สนใจภาคปฏิบัติในปฏิบัติต่อต้านอาวันบ้านอาเิียงว่าแนี้เป็นการเตือนจีตเตือนใจของพวกเราผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะภาคปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ปฏิบัติ ธรรมะปฏิบัติคือเข้าใจไหมคือการกระทำหรือการดูการทําบุญการดูบุญการดูใจการดูสวรรค์ถ้าดูก็เห็นก็รู้เห็นไหมเราดูกันที่เจ้าก็บอกเวลานี้มาทีตรงนี้เราก็บอกมาทีสองนาทีเห็นไหมมันสบายไหมควรที่จะทํำไหมหาที่ไหนได้ที่พระพุทธเจ้า หาสิ่งหาคำมาโพรดสัตว์โลกโสมนุษย์ตกิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นราษฎรเกิดติดขังพุทธะมุปาดังการได้เกิดมาพบทำค ำ, ำ, ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นราษฎรเกิดในฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติอิพังสามคําสั่สอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉปะเราทำหนึ่งนาทีแล้วก็มีควสุกหนึ่นาที ถ้าเราทำหนึ่งก็มองจะเป็นยังไงถ้าเราทําตลอดชีวิตที่เราเกิดมาจะเป็นยังไงางหน้าที่ของพระเจ้าประสงค์ตัดตามงานทุกสิ่งทุกอย่างออกมาทําหน้าที่ของพระคือดูสวรรค์ น, นะดูบุญหรือกล่าวว่าทำบุญทาตลอดชีวิตจะเป็นยังไงหรอยังไม่ยินใจ ดิฉนคารวาเจ้าโจมจะไปทำหนึ่งนาทีสองนาทีหรือห้าวันเจ็ดวันนี่ไปจาจะทำไม่ได้ถ้าคิดแล้วน่าสลดไหมหน่าเสียอกเสียใจไหมถ้าหากเราไม่ได้ทำสถ่กนี้เคยเตือนให้เข้าถึงใจอยู่แล้วว่าพลั้งพลันจิตตาธรรมชาติใจทุกัวงยังสําภเวสีแสดหาที่เกิดธรรมาชาติของใจมันใส ไม่มีร่างกายมันใสสะอาดาจระพัดสลังจิตตังแปลว่าเป็นประพัดสอนดูใสสะอาดที่มันจิตใจตกกระปกเพราะมีร่างกายสังขารร่างกายทาให้ใจคนเราตกกระปกดูสิถ้าเราไม่มาปฏิบัติจุดนี้ไม่ปฏิบัติจุดที่พระุทธเจ้าสอนบุญทาบุญทาบุญถ้าเราไม่ทําจุดนี้ให้เห็นจุดนี้ไม่ดูจุดนี้ให้เห็นบุญจุดนี้ เราคุก้ยอยู่กับเมาาอืองนรกรู้จักเมืาองนรกไหมถ้าเห็นบุญแล้วก็เห็นนรกผููบุญแล้วเราก็รู้ว่านรากคืออะไรนรกคือร่ำรวยนรกคือสวยงามเอาธรารมะก็ไปแฝดูนะไม่ใช่เอาสัญญาแบบโลกียะไปแปดโลกียะไปแฝก็ว่าสัญญาก็รวยสัญญาสวยงามร่ำรวยมีความสุขสวยงามมีความสุข มันไม่มีความสุขถ้าเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในหัวใจแล้วร่ำรวยก็มีแต่ความทุกข์มันเป็นนรกมันเป็นนรกรวยงานก็เป็นนรกว่าคนมายึดมาถือมารักมาหลงมีคักกลัวแล้วหึงกันหวงกันทะเลาะกนันเป็นนรกไหมร่ำรวยมาแล้วเขาไม่ลืมเขามายืมแล้วไม่เอามาตรงตื้น ยิงกันฆ่ากันฟ้องร้องกันเป็นนรกไหมหนางพระเจ้ากระสงเห็นจุดนี้จึงไม่อยากจะยุ่งเรื่องนกรกนดูแต่สวรรค์ดูแต่พระนิพพานดูแต่บุญทำแต่บุญบ ย, ยังไม่หยิบอกหยิบใจทำสวรรค์วันยังทำบุญยังรุ่งยังไม่หยิบอกหยิบใจอยู ไม่ใช่ของง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะมาทำเป็นทั่วระยะนี้จะทำไม่ได้จะว่ายังไงจะเป็นคนมาได้ยังไงสมควรที่จะเป็นคนอยู่ไหมเตือนตนเองบอกตนเองย้ำหัวใจของเรานั่นแหละเราเกิดมาทั้งทีจะทำดีไม่ได้หรือรู้จักไหมคำว่าทาดีทำดีคือไม่เือดร้อนตอนเองและคนอื่น ถ้าทำดีเดือดร้อนตนเองและคนอื่นทำดีมันไปนรกทำดีที่จะไปสวรรค์ น, นิพพานไม่เดือดร้อนตนเองและคนอื่นเข้าใจไหมว่าตนเดือดร้อนมันเป็นยังไงคนอื่นเดือดร้อนเป็นยังไงส่วนมากเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้หรอกเมื่อเวลาไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ดูบุญไม่เห็นบุญก็ไม่รู้ว่านารกมันเป็นยังไง ถ้าเห็นภูณิตสวรรค์แล้วก็รู้ว่านารกมันเป็นยังไงสวรรค์มันเป็นยังไงจึงมาย่ำแล้วย่ำอีกเตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกว่าให้ทําบุญทําบุญเขาจะบุญทิศให้โดยเฉพาะวันสําคัญของกบฏสมเด็จเขาะจะอยู่หัวหรือวันของคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราก็เหมือนกันเราต้องมีบุญบุญทิศไปให้ ถจิตใจตกทุกระยะลำบากอู่ที่ไหนเราก็เพิ่มบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติแล้วนี่ช่วยก็เหมือนทางโลกนั่นแหละญาติพี่นอ้องเป็นโทษอยู่ในเรื อ, เอนจำจะจกิดเรือนจำจะเข้าเรือนจำเราก็ต้องมีจะสุปฏัย น, นทองไปไถ่ไปถอนไปช่วยเหลือถ้าหากไม่หนักที่สุดก็ช่วยเหลือมาได้ถ้าหากตำหนักที่สุดช่วยไม่ได้ทหารอย่างเดียว สันใดก็เหมือนกันเรื่องทรัพย์ภาในอดียทรัพย์อยู่ในหัวใจก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกินย่ำแล้วย่ำดีว่าให้นนนเน้นหนักภาคปฏิบัติภาคทาบุญทาํทาบุญมันไม่ได้คือควรที่จะทําไหมอาหารใจถ้ามีลมในใจดูได้ถ้าไม่มีลมใจอยู่ไม่ได้พระใจอาศัยลมเท่านั้นแต่ทําไมจะดูไม่ได้ ถามเขาไปในหัวใจของเราให้ต so, right. yeah. ือนให้ร like bon ู voilà like ้ให้ตือนปลุกใจของเราให้รู้ให้ตือนให้เบิกบานใจของเราเมื่อเมาบมองเป้อตุห่วงสังขารร่างกายเกิดมาแล้วไม่อยากไม่เท่าไม่ให้อยากไม่แก่ไม่อยากไม่เจ็บไม่อยากให้ตายอแต่มันเป็นไปไม่ได้จะไปฝืนความจริงผืนคำคำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไง พระพุทธเจ้าโคตรยังไงก็เป็นอย่งยงยง า, งางนั้นพระพุทธเจ้าโคตรแต่เรื่องจริงสฐานร่างกายไม่เที่ยงเกิดแย่แก่เจ็บตายผู้ย่าทายายของเราไปไหนแล้วไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยลำ่ำรวยไปด้วยได้ไหมสวยงามไปด้วยได้ไหมถามกข้ไปหัวใจหัวใจของเราลูกให้หัวใจของเราเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา คำว่าพุทธะแปลว่าอะไรเอาพุทธเจ้าแปลว่าอะไรเอาพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําให้หัวใจของเรารู้ตือนเบิกบานรู้อะไรรู้แกล้งโลกโลกก็วิถีเอาพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แกล้งโลกเห็นความเป็นอยู่ของโลกมันวุ่นวาย หัวใจของเราเห็นแต่ในโลกนี้มันสนุกเหลือทําไมถึงไม่พิถีพิถันทําไมถึงไม่กระตือรือร้ น, นอยากรีหนีจากความวุ่นวายนะก็เพราะเราไม่พิถีพิถันกระตือรือร้ น, นสอนใจของเราให้เป็นปตัวพระพุทธเจ้าขึ้นมามิตรสอนให้เป็นผู้ตุชนให้เกิดเจเลญรักโล่อกอดหลงนะตัวใจใจตัวนี้แหละตัวรักตัวโลกนี่แหละมาจากไหนความรัก คนโลกมาจากไหนรู้ไหมทหําไมใจของเราไม่มีควรู้บ้างว่ารักมันวุ่นวายโอกมันวุ่นลายเห็นแต่รักลารวยดีใจสุกใจสวยงามสุกใจลารวยถูก ใ, ใจอย่างนั้นเหรอถึงป็นตุภูตเจ้าช่วยหัวใจไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นให้รู้ให้ตื่นให้เปลิกฟ้าแป้มคำนี้ออกมาให้ใจของเราเป็นพตุภูตเจ้าใหรู้ให้ตื่น เบ diyorsun, ิกบานในคุณฉินคุณธรรไม่มีความทุกไม่มีความเดือดรอนถ้าลูกทำโลกโลกมันเดือดร้อนจะมีความเบิกบานตรงไหนหรอกทำให้ลัเอียนะถ้าให้ละศเอียจริงๆเลยไม่เห็นอะไรแหละเสือก็หลัขก็มาแล้วนั่งแยกล้งกันไปดูหรือจะาะสถานที่ว่างขวังอย่างนี้ เลือกเอาสถานที Elliot, so on on. Live, live. So ่ตรงใดตรงใดก็ได้ในป่าลึกเลยกลางวอกก็มางงถึงเวลาตรวจูลออกมาหรือบอกงงบอพวกฉันจะไม่ออกไปนะพรงนี้เช้าฉันจะออกไปทรั้งเดียวก็บอกงงเข้าไสิถ้าอยากจะเห็นสวรรคจะเห็นปฏิพานก็คนนี้ก็ไม่หาอยู่ในป่าลึกเลย หาวใจกุฏิประสาทระวังเป็นไปไม่ได้เราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสู้อยู่ในกุฏิหลุ่หลาพุ้นเบื่อสะวกสบายไปตัดสู้ที่ป่าที่ทุกข์ที่ยากที่ลําบากลาบนนะคนใดเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมนั่นเข้าใจไหมทำตาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะมาติดสนุกสุขสบายอยู่ในกุฏิวิหารโอ้โหเก๋ๆหลุหลาๆพุ่นเนแต่ความประมาท แล้วก่อนวัดดูก่อนเสื่อมันจะาไหมหมอนมันมนุ่มไหมนั่นเรือสมาธิอย่แต่นอนสมาธิพุทธเจ้าพุทิเสได้แต่ตรูปเพราะการนอนสมาธิได้แต่ตรูปเพราะการนั่งสมาธิอยู่ในป่าห่างจากผู้คนอยู่พระองค์เดียวนั่นทาไมเราถึงไปกลัวนู่นกลวนี่ล่ะถ้ากลัวนูนกลวนี่ก็แปลว่ากลัวที่จะเห็นสวรรค์ กลัวจะเห็นปฏิพานธ์นั่นแหละท่านเกิดกลัวอยู่ในสังขารร่างกายมันจะไปกลัวอะไรสังขารร่างกายมันกลัวไม่แฟนมันจะกลัวอะไรทัพไม่มีลมไม่มีใจหลอกเผาลงไปผูป้าญ้าสะยายวุ่นเหว่า อ, อะไรเป็นกระดูเผาสิ่งหมดไปแล้วทัพผมแผ่นดินไปหมดแล้วตัวเราก็จะเหมือนกันล่นะเมื่ อ, อ ก, กี้ก็ไปเต้ก็จะไปห่วงอะไรกลัวนู่นกลัวนี่ ถ้าไปกลัวกับกลัวสวรรค์กลัวเห็นสวรรค์กลัวเห็นปฏิพาน์ก็ว่าจยางนั้นแหละความเหตุผลความจริงมันเป็นอย่างั้นแหะเรื่องกลัวอะไรตัวกลัวกุศเหตุอยู่ในหัวใจเห็นไหมไม่มีโลกกับวิถีไม่รู้แกล้งโลกผลจุดท้ายก็กลัวกลัวกลัวที่พวกอกกตนเอนอยู่ในมันผิวผันร่างกายไม่กลัวไม่เป็นหรอแต่กุศลเหตุอย่ในหัวใจกลัวอ่า ได้เสแสร้งมีแต่ชื่อจะไปกลัวอะไรใ จ, ใ, จใจมันใจมันตายไม่เป็น่ะมันไม่เป็ น, น, ปนกิเลสแฝงอยู่ในนั่นแหละมันสร้างว่านสร้างสาธาตวังเกลี้ยหัวใจคนะไม่อยากทำลายหรือกิเลสแทงไว้ทำไมหวงไว้ทำไมเอาคิดในละเอียดนะพากันเน้นหนักสมกับที่เราเสียสละมาปฏิจจปฏิญาณตนถึงคุณพพุทธพระธรรมพระสงฆ์จปะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะมีต้นเหตสายเหตุจากพระเจ้าพระสงฆ์พระาจารย์กำหนดโปรแกรมไว้ถึงวันนั้นวันนั้นเรามาประจําทุกปีทุกปีได้อะไรที่ผ่านมาเราทําจริงหรือทําเน่นบ็ถามถึงหัวใจของเราแล้วแหละ ท, ำ ท, ำทำํำคํำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กุ๊ ก, กาตาที่จะมาเล่นจอกจกแกะแกะทำจริงเห็นจริงพ้นโลกได้จริงต้องเชื่อจุดนี้ที่ถ้าเชื่อจุดนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหา นะถ้าเข้าถึงสิ่งของคนเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหาสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือนั่นะใจเป็นสมาธิปัญญาใจมีสมาธิใจเกิดปัญญาวนรอบรูบร้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาเข้าใจไหมเป็นปัญญาจะมีเพราะเราไปทําแสวงหานน่ตามปนต้นไม้ไม่ได้สแสวงหาที่พุติ ในบ้านในช่องอะไรโกกแก่รุ่หลาเรามีป่าผมเถไปไปกลัวอะไรฮะในแน่นหนักในเชื่อจุดนี้จุดพระเจ้าพระตัตรูรพระองค์เดียวอยู่ในป่าลึกแค่ไหนไปดูเอาจประวัติของพระเจ้าเพื่องหนาสมบุรณ์สุกสนุะโยมทุกหลานจะตีพี่น้องสละท่านพระเจ้ากระสง์มารวมกันแสดงออกพึ่งตัวของรองสมานสาบังชีหน้ามนึ่เดียวกันมารวมกันปฏิบัติธรรมเพื่อ เป็นงก็พุทธบูธาธมบูชาสังฆ บ, บูชาในจิตใจของเรามีค ว, วามสว่างสไยในสิธรรมของกุธเจ้าเป็นบุญกุศลนันดับหนึ่งบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทับคุณประสงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโรกนี้ก็ตงมารวมกันต้งปกฟ้องปกป้องพรสาวองค์พระโยมตลอดทางพระเจ้าประสง มีแต่ความุขความเจริญทุขกายสุขใจปารถนาสิ่งหนึ่งใดกจงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความตั้งอกตั้งใจสมดังความปรารถนาลงทุกสิ่งทุกประการเถอด